ลูกศิษย์ท่านหนึ่งยืนยันว่าหลวงปู่ท่านกล่าวว่าในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์หลวงปู่บุญยริศปัณฑิตโตที่พักสงส์สวนทิพจังหวัดนนทบุรีหลวงปู่บุญยญริศเป็นศิษย์องค์สําคัญของหลวงปู่ชอบฐานะสมโมซึ่งพระละโยมในวงพระธุดงกรรมฐานรู้จักท่านดีเป็นอย่างยิ่งและภายหลังยังได้เรียนกรรมฐานกับท่านพ่อลีธรรมัทโร